Thank mm -hmm. you.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 เบุ ต, ต่างๆบัพพะต่างๆความรู้ก็อยู่ที่กายความหลงก็อยู่ที่กายความรู้อยู่ที่จิตความหลงก็อยู่ที่จิตในขณะเดียวกันการปฏิบัติก็ทำความหลงความหลงมันมีรูกกกก้ความหลงก็รู้ความหลงควบหลงก็เป็นตัวปฏิบัติไปตัวเป็นคู่กันไป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 กิเลสพันห้ามันโง่โง่ถ้ามาดูแล้วมันโง่โงมันเห็นสันหลังมันอยู่ไม่มีใครที่ทําไม่ได้การเอาชนะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนะไม่มีใครทําไม่ได้ถ้าได้หลักแบบการปฏิบัติแบบนี้จริงๆนะสมบูรณ์นะมันสมบูรณ์แบบเป็นชั้นอุดมหลือการศึกษาแบบอุดมที่สุดเลยนะมีความรู้สึกตัวมีความหลงมีความอะไรต่างๆมากมาย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 แม่นิมิต ท, ที่เราเอามาสร้างเนี่ยก็เป็นของจริงไม่กายไม่ใช่เอาลูกแก้วไม่ใช่เอาสีเอาเสียงเอาแสงไม่ต้องไม่ต้องเอาดวงอะไรที่เป็นสีต่างๆกับสินจะทำทำไมแบบนั้นน่ะต้องเอานิมิตของกริงแหละกายนี่แหละมาสร้างขึ้นมาประกอบขึ้นมาให้มันรู้มีเยอะแยะในกายในจิตของเราเออกมาเป็นนิมิตเป็นที่ตั้ง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 ตลอดทั้งปีทั้งเดือนทั้งปีตอนเย็นมาก็มานั่งใกล้รอบพ่อรอบแม่พ่อแม่ก็เล่ า, น, านิทานนิทานก็เป็นเรื่องดีๆเนี่ทวันเนี่ยโอ้ยมันหลายหลายอย่างพอที่จะแวกเข้ามาหาความรูร้สึกตัวเนี่ยมันขวงกันไว้เยอะๆมันติดมันเปืะ ม, มันเพื่อนอะไรมาไม่รู้ถูกช้ำถูกร่องรอยในกายในใจร่องรอยในใจมันก็เรามาซ่มอมนั่นแหละ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 จะไม่ยอมตายเพราะโลกวานหาวิธีต่างๆเดินจงกรมจนจะเป็นลมเอาให้มันเหน็ดเหนื่อยไม่ละยางไม่ใช่เหงื่ยยอย้ายออกเดินนั่นเอาไปมาก็หายเลยโลกวานเออมันเป็นได้ยังไงนะสู้กำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญากำลังความเพียรศรัทธานะัพนางทีมันไปได้นะ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 นยกนี่สมัยนี่สมัยก่อนหลวงพ่อก็คิดถึงพระสาวกทั้งหลายคิดถึงพระพุทธเจา้าคิดถึงบกบะศก์กบะศิกาผู้ที่เลิ่เลิศในสมัยของพระพุทธเจา้าเอ้ามาอยู่ปัจจุบันเอ้าคิดถึงหลวงปู่เทียนดูหลวงปู่เทียนเอา้าท่านก็สอนท่านก็ทำให้ดู